จะให้ฟังชาดกสักเรื่องหนึ่ง น, น, นะที่เกี่ยวกับพระประเจกพระพุทธเจ้าในคุตการนิกายชาดกเนี่ยนะเล่ม62ถึงโสนะโสนากะชาดกเรื่องนี้เมื่อภาษาสดาประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินฑิกะเศรษฐีที่เมืองสาวัตถีเนี่ยนะ พระองค์ปรารบถึงเนคข ม, มะบารมีก็เลยตรัต ธ, ธรรมเทศนาคือชาดกเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับพระปจเจ ก, กได้ยินว่าในครั้งนั้น น, นะเรื่องราวเนี่ยนะที่เป็นเหตุให้พระองค์ตรัสชาดกมีอยู่ว่าในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในท่ามกลางแห่งภิกษุทั้งหลายผู้กําลังพันร น, นาคือสรรเสริญถึงเนคขมะบารมีของพระพุทธเจ้าณรงค์ธรรมสภาว่า พงตรัสว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายตถาคตออกมหาพิเนสกรมคือการออกบวชนั้นไม่ใช่แต่กาละนี้เท่านั้นแม้แต่ในการก่อนเราตถาคตก็ได้ออกมหาพิเนสกรมคือออกบวชเหมือนกันนะเป็นพระราชาแล้วออกบวชเนี่ยอดีตชาติก็เคยทำไม่ใช่ทําแต่ชาตินี้ได้ยินว่าในอดี ต, ตการพระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคตแคว้นมคตก็แถวไหนแถวกรุงราชคฤห์กกแถวนั้นเรียกแคว้นมคตเนี่ยนะ พรงครอบครองราชสมบัติอยู่ณกรุงราชครึกพระโพธิสัตว์บังเกิดในพระคันแห่งักพระอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นในวันที่จักขนานนามพระชนกพระชนนีก็ขนานนามพระโอรสนั้นว่าอรินธรม ก, กุมารแม้บุตรของท่านปุโรหิตก็คลอดในวันที่พระราชกุมาร น, นั้นประสูติแล้วเหมือนกันมารดาบิดาก็ตั้งชื่อว่าโสนากคกุมาร พระราชกุมารและกุมารทั้งสองนั้นเจริญวัยขึ้นด้วยด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเพื่อนเล่นรักกันมากเรียกว่ามีความเป็นอันเดียวกันหมายความว่าอีกคนหนึ่งคิดอะไรอีกคนหนึ่งต้องคล้อยตามกันหมดเรียกว่าตามแต่กายใจก็คิดเหมือนกันคันเจริญวัยแล้วก็เป็นผู้เป็นผู้มีรูปร่างสง่างามทั้งคู่นะเป็นผู้พิเศษด้วยรูปเสร็จแล้วก็ได้ไปเมืองตักกศิลาเล่าเรียนศิลปะศาสตร์จนจบสิ้น จากกรุงราจะครึกไปอัฟกานิสถานนี่ก็ไกลเหมืนกันนะก็พอออกจากเมืองตากศิลาก็เลยคิดว่าเราทั้งสองเนี่ยจะต้องศึกษาให้รู้ถึงศิลปะละทัทธิทั้งหมดและการเที่ยวจาริกในประเทศก็เลยเออก่อนจะกลับบ้านเมืองเราอะนะเที่ยวก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีคู่มีครองอะไรกันยังไม่ได้มีภาราผิดชอบบริหารอะไรกัน้นเที่ยวกันดีกว่าแปลว่าเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วค่อยกลับถึงถึงเมือง อย่างนี้แล้วก็พากันเที่ยวจาริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองพาราสีพำนักอยู่ณพระรา ช, ชุทยานจริงพาราสีกับราชครื่มันก็ใกล้กันโขแลนะก็แค่ไม่กี่ร้อยกิโลเองพอวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปยังพระนครในวันนั้นเนี่ยมนุษย์บางพวกพากันคิดว่าเราจัดจัดทำสถานที่สวดมนต์ของพวกพราหมณ์ ก็เลยจัดแจงข้าวปลาญาติปูาราสนาสะนะพอเห็นกุมารทั้งสองนั้นเดินมาก็เชื้อเชิญให้เข้าไปในเรือนให้นั่งบนอาสนะที่ตระเตรียมเอาไว้คือคนอินเดียหรือคนแขกเนี่ยปกติเขาก็ชอบทำบุญเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมดานะาก็เชื้อเชิญสมณะพราหมณ์บางช่วงถ้ารัฐิวันนะเคร่งครัดมากเขาก็เชื้อเชิญคนวั น, นะพราห ม, มาบริภคบางช่วงก็นับถือพวกนักบวชก็เชิญพวกนักบวชรัที่ต่างๆมา บริโภคอาหารที่บ้านอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของเขาส่วนหนึ่งนี่ก็พอเห็นนั่นก็คือเชื้อเชิญกุมารทั้งสองเนี่ยนะเขาก็นับถือว่าคนวันณะสูงเอาไปเลี้ยงอาหารได้และด้วยบุญเยอะเนี่ยนะเขาเชื่อกันอย่างนั้นทั้งสองคนก็ไปนั่งบนอาสนะปูลาด ท, ที่ทำด้วยผ้าจากแคว้นกาสีเป็นผ้าขาวสะอาดบนอาสน ะ, ะผ้าจากแคว้นกาสีสีขาวเนี่ยปูลาดเอาไว้สาหรับพระโพธิสัตว์ แล้วก็ปูราดผ้ากัมพลสีแดงเรียกว่าผ้าขนสัตว์สีแดงให้ไว้กับโสนกะกุมารบุตรปุโรหิตพระกุมารกุมารคือโสนกะกุมารเนี่ยนะมองดูเครื่องหมายก็รู้เลยว่าวันนี้นี่แหละอรินทมากุมารสหายเราผู้เป็นที่รักของเราจะได้เป็นพระราชาครอบครองพารณสีคาราว่าเขามีวิชาทำนิมิตเครื่องหมายนะจากเครื่องหมายต่างๆดูปับ๊บอธิบายได้เลยว่าข้างหน้าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเราเนี่ยะจะได้รับพระราชทานตําแหน่งเสนาบดีเนี่ยนะก็คื อ, คอเพื่อนเป็นพระราชาเราก็เป็นเสนาบดีกุมารทั้งสองเนี่ยพอเห็นเครื่องหมายเหล่านั้นนะโดยเฉพา ะ, ะโสนกะกุมารเนี่ยรู้เห็นเครื่องหมายเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังก็ทั้งสองก็นั่งทําพัฒกิจก็คือทานอาหารกันไปพอทานอาหารเสร็จก็ไปยังอุทยานเนี่ยนะอุทยานครั้งนั้น เป็นวันที่พระเจ้ากรุงพาราณสีสวรรคตคือสิ้นพระชนชีพมาแล้วเจ็วันพอดีในระกูตระกูลนี้ไม่มีพระราชโอรสเลยประชาชนทั้งหลายมีอัมมาดเป็นหัวหน้าสนานพระเศียนสนานศีรษะกันแล้วก็ประชุมกันประชุมกันว่าเอายังไงดีเอาใครเนี่ยขึ้นเป็นพระราชาดีเอาอัมมาดเอาเสนาบดีเอาคนที่มีความรู้ความสามารถยุคนั้นเนี่ยยกใครให้เป็นผู้ปกครองแผ่นดินดี ก็คือก็เลยคิดว่าถ้าหาว่าให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งขึ้นมันต้องมีจลาจนขึ้นเพราะว่าถ้าแต่งตั้งคนหนึ่งแล้วเอาใครมาตั้งมันก็มีอคติต่อกันและการเนยมันก็เลยไม่ตกลงกันในที่สุดเอาอย่างนี้ดีกว่าปล่อยพุทธยรถดีกว่าเนี่ยนะที่ที่มาของราชรถมาเกยเนี่ยนะมันก็เลยคิดจะปล่อยรถมา้าแต่ละคนเนี่ยนะอธิษฐานในใจขอให้รถม้าวิ่งมาบ้านเราขอให้รถม้าวิ่งมาบ้านเราแต่แม่รถม้าก็แสวงหาผู้มีบุญเนี่ยนะ ก็คือมีการอธิษฐานบนบานสารบ้านสารเมืองเบ็ดเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะอธิษฐานเทพพญาดาฟ้าดินเอาหมดทุกอย่างเสร็จแล้วก็ปล่อยรถนั้นไปพุทธยารถนั้นก็เล่นไปสู่ไปหาท่านผู้ควรแก่ราชสมบัติคนที่มีบุญพอที่จะปกครองบ้านเมืองได้พุทยารถนั้นออกจากพระนครเล่นไปยังอุทยานโดยลําดับกลับที่ประตูอุทยานแล้วก็หยุดเตรียมรับท่านผู้สมควรครอบครองราชสมบัติให้ขึ้นไป คังนั้นพระโพธิสัตถ์ก็นอนคลุมศีรษะอยู่บนแผ่นศิลาอันเป็นมงคลเพราะว่านอนอยู่บนแผ่นหินนั่นนะโซนากะกุมารก็นั่งอยู่ใกล้พระโพธิสัตว์นั่นแล้วโสนากะกุมารได้ยินเสียงดนตรีก็ดมริว่าพุทธยรตมาถึงอรินธรมกุมารวันนี้เธอจะเป็นพระราชาวัวนนี้แหละจักพระราชาทานตําแหน่งเสนาบดีให้แก่เราแต่เราไม่ต้องการด้วยอิสริยยศเลยไม่ต้องการเมื่อพระกุมารนั้นเสด็จไปแล้วเราจะาบวช ใจของตัวเนี่ยคิดจะบวชอย่างเดียวเนี่ยนะันให้เพื่อนผู้คลองบ้านของเมืองไปเถอะเราบวชดีกว่าใสรจแล้วได้ไปยืนแอบอยู่หนะ้าที่กำบังส่วนแห่งหนึ่งข้างหนึ่ง น, นนะนีก็คือให้เอาเพื่อนไปตัวเองก็หลบไปก่อนปุโรหิตก็เข้าไปยังพระอุทยานเห็นพระโพธิสัตว์หลับอยู่ก็ให้เจ้าพนักงานประโคมดนตรีขึ้นพระโพธิสัตว์ตื่นนอนขึ้นมาก็พลิกตัวกลับแล้วก็หลับต่อไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วค่อยลุกขึ้นคือคื อ, คอไอความที่ตัวเองก็เป็นคนวรณะสูงเป็นคนที่ไม่ได้แบบ คนมาอะไรมาแล้วมาสนใจกับแบบคนที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยนะก็ไม่ไม่สนใจเท่าไหร่อยู่แล้วคือคนมีบุญเนี่ยจะเป็นคนลักษณะนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนกลุ่มลุกลี้ลุกลนอะไรไม่ใช่แบบนั้นเสร็จแล้วพอหลับอีกพักหนึ่งต่อก็ลุกขึ้นมานั่งบนบัลลังก์ที่แผ่นศิลาท่านปุโรหิตก็ประคองอัญเชลีกราบทูลพระองค์ว่าข้าแต่สมมติเทพเรียกว่าสมมติเทวดาเรียวยกย่องว่าเป็นเทวดาในหมู่มนุษย์เนี่ยนะราชสมบัติถึงแก่พระองค์แล พระโพธิสัตว์ก็ถามว่าราชตระกูลเนี่ยนะไม่มีพระราชโอรสหรือปุโรหิตก็ทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าข่าคือไม่มีพระราชโอรสพระโพธิสัตว์ก็ตอบว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ดีเดี๋ยวจะปกครองให้ลำดับนั้นประชาชนทั้งหลายก็พากัรอภิเสกพระโพธิสัตว์ในพระอุทยานนั่นทีเดียวแล้วก็เชิญให้ขึ้นรถกลับเข้าสู่พระนครด้วยบริวารใหญ่ พระโพธิสัตว์ลืมเพื่อนเลยเนี่ยนะพรตัวเองได้ดิบได้ดีก็ ล, ลืมเพื่อนเพื่อนหายไปไหนนะก็ไม่รู้เนี่ยนะพระโพธิสัตว์นั้นก็กทําประทักษิณพระน ค, ครแค่โเวียนรอบขวาพระนครเสร็จแล้วก็ขึ้นสู่ปราศาสตรพระองค์ไม่ได้ระลึกถึงโสนากคกุมารเพราะความมีอิสระยยศใหญ่คุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้ทีลืมเพื่อนเลยเหมือนนฝ่ายโสนากคกุมาร น, นั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เข้าไปสู่พระนครแล้วตนเองก็กลับมานั่งที่แผ่นศิลาแผ่นหินนะนะแผ่นหินอันนั้นแหละ ลำดับนั้นใบไม้สีเหลืองแห่งต้นสาละก็หลุดร่วงจากขั้วลงตรงหน้าโกมานนั้นใบไม้ร่วงหล่นต่อหน้าเขาพอได้เห็นใบไม้สีเหลืองที่ร่วงหล่นนั้นแล้วก็คิดว่าใบไม้นั้นน่ะหล่นลงฉันใดแม้สรีระของเราก็ถึงชราหล่นไปฉันนั้นก็เริ่มตั้งวิปัสสนาว่าชรามรณะนะนะขึ้นต้นด้วยชรามรณะชรามรณะมาจากไหนก็มาจากชาติก็พิจารณาอริยสัจเนี่ยนะ จเจริญวิปัสนาอานิจจาลักษณะเห็นความไม่เที่ยงของขันธ์หปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมก็บรรลุเป็นพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าขณะนั้นนั่นเองเพศเครือขัดของกุมาร น, นั้นก็อันตรทานไปเพศบรรปะชิตก็ปรากฏมาแทนพระประเจกพระพุทธเจ้านั้นก็เปล่งอุทานว่าบัดนี้ภพใหม่ของเราไม่มีนัตถิชานิปุณัพโภวังนั้นบัดนี้ชาติใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วปฏิสนธิภพใหม่ไม่มีแล้ว ก็ได้ไปยังเงื้อมเขาชื่อวันนันทมูลกะฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นระลึกถึงพระประเจกับพุทธเจ้านั้นได้โดยล่วงไปประมาณสิบปีเอ่สี่สิบปีแมสเสวยราจะสมบัติเนี่ยนะเต็มไปด้วยสนมกำนันบริวารบุตรอุยลืมเลยนะสี่สิบปีผ่านไปยังนึกได้เออเรามีเพื่อนโอยอะไรจะเมาขนาดนั้นนะนะทีนี้พอระลึกได้นะนะผ่านไปสี่สิบปีพอระลึกได้ก็เลยถึงว่าโพูดถึงว่าพระโสนะ บ่อยๆว่าโสน ก, กะสหายเราไปไหนเ no. นอะโสนกะสหายเราไปไหนไม่ได้ข่าวที่ใครจะกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าหรือข้าพเจ้าได้พบเห็นประทับนั่งบนพระราชบลังที่มีพื้นกว้างใหญ่อันประดับประดาแล้วเป็นผู้อันเหล่าชนผู้ประโคมฟ้อนราขับร้องเป็นต้นแวดล้อมสเสวยสมบัติอยู่ก็คิดว่าผู้ใดได้ยินในสำนักแห่งใครๆแล้วบอกแกเรา ว, ว่าโสนโสนกะกุมาร อยู่ในที่ชื่อโน้นดังนี้เราจะให้รับร้อยหนึ่งแก่ผู้นั้นคือก็เท่ากับอยากจะบอกเหลือเกินอ่ะนะว่าใครรู้จักหรือได้พบได้เห็นเนี่ยนะบอกว่าโซนากาอยู่ที่ไหนให้ร้อยหนึ่งทันทีร้อยสมัยนั้นนี่เยอะมากเป็นแสนสมัยนี้แหละพันผู้ใดเห็นด้วยตนเองบอกแก่เราจะให้ผู้นั้นพันหนึ่งหมายคือว่าถ้าได้ข่าวเฉยๆนะั้นเล่าข่าวให้ฟังให้ร้อยหนึ่งพบเห็นให้ตัวเองให้พันหนึ่งนะแก่ผู้นั้นอย่างนี้ก็เลย นิพนแต่งแต่งอุทานแต่งบทเพลงขึ้นมาเป็นบทเพลงหนึ่งร้องเป็นบทเพลงอะนะไม่รู้ฟังแล้วเป็นเพลงไนดะ้ยังไงแต่ก็เป็นกรอนแขนะ่กันนะกรอนอินเดียนะแปลเป็นภาษาเราว่าเราจะให้ทรัพย์ร้อยหนึ่งแก่ใครใครผู้ได้ยินข่าวแล้วมาบอกแก่เราใครพบโสนากาผู้สหายเคยเล่นมาด้วยกันแล้วมาบอกแก่เราเราจะให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่ผู้ที่พบโสนกะนั้น ครั้งนั้นพวกหญิงนักฟ้อนนางหนึ่งก็จำเอาอุทานบทเพลงอนันนันเนี่ยก็ถอดเหมือนถอดออกจากพระโอษองพระราชาก็มาขับร้องคนอื่นหญิงคนอื่นๆก็ช่วยๆกันขับเพลงนั้นต่อมาเป็นลำดับสนมทั้งหมดคือทุกคนร้องเพลงนี้ได้ทั้งหมดทั้งวังว่างั้นต่อมาเป็นลำดับเนี่ยนะเพลงนี้เป็นบทเพลงทุกคนจะคิดกันว่าเพลงนี้เป็นพเพลงที่พระราชาของเราเนี่ยโปรดปรานเลยประการะ น, นทุกคนร้องกันหมดเลย เพราะกอะไรนะเพราะอยากจะเอาใจพระราชาด้วยนะแล้วก็เลยรอ้องชวนกันร้องเพลงนี้กันเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งชาวพระนครชาวชนบทร้องเพลงนี้กันหมดเลยพระราชาเนี่ยขับเพลงนั้นอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันโดยล่วงไปเป็นเวลาประมาณห้าสิบปีเนี่ยนะพระราชาพระองค์นั้นก็จนตอนหลังก็มีพระโอรสมีทิดาลัายองค์ด้วยกันพระโอรสองค์ใหญ่มีนามว่าทีคาวุกุมารครั้งนั้นพระโสดกาปัเจกขพุทธเจ้า ปรารถนาจะพบเห็นพระเจ้าอรินทราชคือฝ่ายพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่านรู้มาตลอดนะไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้นะท่านก็รู้มาตลอดแต่ก็คิดว่าเราเนี่ยจะไปแสดงถึงโทษแห่งกามอ น, นิสงฆ์แห่งเนคขมมะการออกบวชจะชี้ช่องให้พระราชานั้นทรงผนวดคือถ้าตอนก่อนหน้านี้มายังไงก็ไม่บวชหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่บวชต่ต้อง50ิปีไปแล้วนี่แหละจึงจะพอบวชได้นั้นก็ พันก็ผ่านไป50สปีก็เลยคิดถึงเพื่อนเก่าอพอจะสงเคราะห์ได้แล้วก็เลยเหาะมาด้วยริ์นั่งในอุทยานเด็กชายมีผมห้าแย้มเนี่ยนะก็พวกไอ้จ <c oughs> กไอ้แกละนะอายุเจขวบมารดาเนี่ยชัยก็ไปหาฟืนในป่าใกล้อุทยานก็ไปขับเพลงขับนั่นบ่อยๆนะเด็กยังร้องได้เลยเพลงนี้งั้น ครังนั้นพระประเจกับพรุทธเจ้าก็เลยเรียกกุมาร น, นั้นมาถามว่าพ่อกุมารทําไมเจ้าจึงไม่ร้องเพลงอื่นบ้างเล่าร้องแต่เพลงนี้เพลงเดียวอย่างนั้นเจ้าจําเพลงอื่นไม่ได้บ้างหรือยอย่างไรกุมารก็บอกว่าจําได้ครับแต่บทเพลงนี้เป็นเพลงที่โปรดปรานแห่งพระราชาของพวกผมเพราะฉะนั้นผมจะต้องขับร้องแต่เพลงนั้นบ่อยๆพระประเจกับพรุทธเจ้าก็ถามว่าเอาแล้วเจ้าเนี่ยมีใครเคยเห็นเคยเห็นใครใครขับร้องเพลงนี้ต่อ บ, บ้างหรือไม่ คือทุกคนเนี่ยร้องแต่เพลงหาแล้วใครมาร้องแก้ร้องตอบมีเจอบ้างไหมก็บอกไม่เคยเห็นใครมาร้องตอบเลยพระประเจ ก, ก็บอกว่าเราจากสอนให้เจ้าร้องเพลงขับตอบอเจ้าจะไปยังสำนักของพระราชาแล้วร้องเพลงนี้ตอบได้ไหมกุมารก็บอกได้แสดงว่าพระราชาสมัยก่อนก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าเฝ้ายากนัก น, นะเด็กๆยังขอเฝ้าได้กันเลยครั้งนั้นะโศนกับ ปเจกพระพุทธเจ้าก็บอกเพลงขับแก่กูมารก็กล่าวเป็นคถาวา่าไมหังสุตวาดังนี้เป็นต้นก็บอกข้าพเจ้านี่แหละได้ยินมาครั้งนั้นพอให้เรียนเพลงบทเพลงตอบเสร็จแล้วก็ให้กูมาร น, นั้นไปด้วยคําพูดว่าดูก่อนกูมารเจ้าจงไปขับร้องเพลงขับตอบนี้กับพระราชาพระราชาจากพระราชาทานอิสริยยศใหญ่ให้แก่เจ้าเจ้าจะต้องการอะไรด้วยเป็นคนหาฟืนรีบไปเถอะไปร้องเพลงจะได้พันหนึ่งหาฟืนมีอีกตังหรอกว่งั้น กูมานก็รับภาษาทู่แล้วก็เรียนเพลงขับตอบไหวพระประเจกับพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงอยู่ในที่นี้จนกว่าผมจะพาพระราชามาเด็กก็รีบไปหามารดากล่าวว่าคุณแม่ครับแม่จงให้ผมอาบน้ำแล้วก็รีบแต่งตัวให้ผมวันนี้ผมจะเปลื้องแม่ให้พ้นจากความยากจนวันนี้รวยแน่นั่น ทั้งนั้นมารดาก็อาบน้ําแต่งตัวให้แล้วก็มายังประตูวังก็กล่าวว่าดูก่อนนายประตูขอรับท่านจงกราบทูลพระราชาว่ามีเด็กคนหนึ่งมากล่าวว่าผมจะขับเพลงตอบกับพระองค์แล้วก็ยืนคอยอยู่ที่ประตูวังวไปคุยกับทหารยามให้ทหารยามเข้าเฝ้าเลยฝ่ายนายประตูก็รีบไปกราบทูลแด่พระราชาพระราชาก็ตัดสั่งให้เรียกเด็กมาแล้วก็บอกว่าจงมาเถิดตรัสว่าดูก่อนพ่อเจ้าจะขับเพลง ขับตอบกับเราหรือเด็กคนนั้นก็ทูลว่าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระราชาก็ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าจงขับเถิดกุ ม, มารก็ตอบว่าขอเดชะข้าพระองค์ขับในที่นี้ไม่ได้แต่ว่าพระองค์จงให้พวกราชบุตรเที่ยวตีกลองเปล่าประกาศในเมืองให้มหาชนมาประชุมกันข้าพระองค์จักขับในท่ามกลางมหาชนโอ้ยร้องต่อหน้าต่อ ต, อตาแค่เงียบๆไม่ได้ต้องร้องต่อหน้าประชุมชนนะกน พระราชาก็ทําตามที่กุมารนั้นขอร้องทุกประการเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งในท่ามกลางบัลลังก์ในมนดบที่เขาประดับประดาตกแต่งเสร็จแล้วสั่งพระราชทานอาสนะที่สมควรแก่เด็กนั้นแล้วแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์จงขับก่อนพระราชาก็ข้าพระองค์จะขับตอบในภายหลังให้พระราชาร้องก่อนเนี่ยพระราชาก็เลยร้องว่าเราจะให้ซับร้อยหนึ่งแก่ใครใคผู้ได้ยินข่าวแล้วกลับมาบอกเรา ส่วนใครได้พบโซนกะผู้สหายเคยเล่นมาด้วยกันอันนะเขาพบแล้วมาบอกแกแ่เราด้วยตนเองเราจะให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่ผู้ที่พบโซนกะนั้นพอพระราชาร้องอย่างนี้เสร็จแล้วเด็กที่มีอายอุเด็กที่มีผมห้าแยมเนี่ยนะก็ขับตอบร้องเป็นคาถาว่า